เรื่องอบรมพระนุ่มตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยคืนนี้ขณะนี้เวลาของเราว่งไปลป้วตีสี่ึ้นก็ขออนุมโมทนาับเพื่อนสระดำนิตรสารมเสนน้อยๆทั้งหลายที่ตั้งอกตั้งใจกันประพฤติปฏิบัติ แต่เด็กลุกแต่เช้าพร้อมเพียงกันคุยเธอทั้งหลายจงิึตรงป่าโมว่าการทาเช่นนี้มันหาได้ยากซึ่งพระสงองค์เจ้าของเราก็มีมากมายแตกกองเป็นพันๆแต่จะมีใครสักกี่คนที่กำลังขงขนขวายกิบการเพื่อพระศาสนา ควาขวายเพื่อความดับทุกข์คขวามขายเพื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์แก่ตนเองเพื่อจะได้ทำประโยชน์แก่สังคมด้วยมันยังไม่มีนะยังมองไม่เห็นกันมีแต่ไม่มากนักมีจำนวนน้อยแต่ในเขตสกรันนครของเรานี่ในขณะนี้หนาวๆไม่ก็คงจะพวกเราเท่านั้นแหละที่กำลัง คมักข ม, มิ้นอนควายกันจบดังที่คนโบราณบอกว่ามีหวัดบรรม่อี่ผัสรงมีถงว่ามีบนหอยหัวจะจ่อยหูหน่อยบอกยังฟังกลายเป็นนั่งเคืองทางดอนสูงเสียเพื่อบอนใดพลเสียงไปจมทุนมีแต่ความคัดของห้ามพลเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าสี่แห่งเหี่ยวตาย ีอเขาว่ามีวัดไม่มีพระสงฆ์ไม่แชรเรื่องอะไรไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์เหลืองๆพระสงฆ์เหลืองๆเนี่ยมีเต็มวัดเต็มบ้านเรื่องอาลามไปหมดในสกลนครของเราวัดต่างเจ็ดแปดร้อยวัดนะไม่ใช่น้อยพระเนรจะมีสักเท่าไร่แต่ที่พระสงฆ์จริงๆที่หมายถึงนั้นก็หมายถึงผู้ปฏิบัติปฏิบัติ ด, ดี ดียังไงดีในพระธรรมวินัยที่ร菩萨ตสดาสอนไปแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตรงตรงตอบพระธรรมวิ น, นัยตรงต่อเป้าหมายของศาสนาตรงไปสู่ความดับทุกปฏิบัติเพื่อออกจากทุกเพื่อขูดเกาเผาหล่นทำลายกิเลสตัณหาอุปาทานปฏิบัติสมควร ที่ว่าสามีเจริปัปโนญโาสมควรตามธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ฐานภาวะเพศของตนเองที่รีกตนเองว่าเป็นพระที่คนอื่นเขากราบไหว้ยกแต่งตั้งเท้าเสกขวาสาวะกะสังโคนั้นจึงชื่อว่าสรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าควรแก่การต้อนรับควรแก่ของที่นำมาบูชา ควรที่จะรับทักษินาถรรควรที่ทุกคนจะยกมือไหว้ยกเสร็จก้าเท้าเสกหัวเป็นเนื้อนาบุญของโลกทีนี้พระสงฆ์ที่ดังกล่าวมาแลว้วมันจะมีจํานวนน้อยลงน้อยลงมีจะวัดแต่พระสงฆ์จํานวนนี้ไม่มีคนโบรานดิบบอกว่ามีวัดบ่มีพระสงฆ์มีถงบ่มีบนหอยเงินวางใจ่อยหุนหน่อยของอย่างฟังก็อย่างที่เราทากันเนี่ย ถ้าหากเราเข้า อ, อกเข้าใจตามเนื้อหาสาระเข้าใจถึงจุดยืนเข้าใจโครงสร้างเข้าใจเป้าหมายบรรลุซึ่งความเป็นอมตะทำลายความยึดมัน่นเิืมันเข้าใจทรบซึ่งถึงแก่นสารของพุทธศาสนาแล้วก็นำมาบอกมากก่าวมาแนะนำพิมพสอนให้คนทั้งหลายได้เข้าใจตาม คนเขาจะไม่สนใจไม่สนใจที่จะฝ่ฟังในเรื่องที่เราจะพูดไม่สนใจที่จะปรับพื้นทางด้านสมาธิภาวนาไม่สนใจที่จะมารับฟังในเรื่องจินสมาธิปัญญาอาริยสติมัคมีองแปะไตรลักขณะปฏิจสมุปบาทให้เราพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจที่จะฟังเป็นอย่างนี้แต่เขาจะไปไหน ไปนนจะไปวัดใดที่บอกเลขบอกหวยให้เครื่งรังของครังอ้วกรถน้ำมนต์โดยเชื่อมั่นบ่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอัคคีมีหารปฏิหารคุ้มครองเขาให้ปลอดภยัยจากโรคภยัยไข้เจ็บจากพยันันตรายจะอำนวยความสมหวังความปรารถนาให้แก่เขาเหล่านั้นได้ คนจนเข้าหาพระเพื่อต้องการอยากจะได้ผลประโยชน์ทางทรัพย์สมบัติให้ซื้อเลขซื้อหวยถูกหรือวาได้มหาละรวยได้มหา่าอะไรต่างๆเพื่อที่แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนคนรวยเข้าไปหาพระก็เพื่อว่าจะได้อ่า มีอำ น, นาจศักษิ์สิท์จากพระมาคุ้มครองทรัพย์สินความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตอนเองได้ไดเสื่องรางของครังไดพระได้เรียนมาคุ้มครองอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อจะได้อยู่ไป น, น, นานๆไปสวรรคความสุขของตอนตนเท่าที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องคนที่จะมา ที่พวกเราอยู่นี่ก็คงจะยากแหละที่เราจะมาฟังมาประพฤะติมาปฏิบัติตามก็เลยเป็นผลดีอีกอย่างสำหรับพวกเราไม่มีใครมาผูกพันให้ยุ่งยากลําบากในจิตในใจของพวกเราคนอื่นเขาไม่มาก็ดีแล้วไม่ต้องมาพูกพันไม่ต้องมาผูกพันเราไปพิณทบาทมาพอได้ขบได้ฉันก็อยู่กันตามโคนไม้ตามกระท่อมแล้วเนี่ยทาความเพีย ให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้เข้าถึงหัวใจแก่นสารของผู้พุทธศาสนานได้รับคุณได้รับประโยชน์ในการออกบวชอย่างอิมันและถึงแม้ว่าเราจะพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นธรรมอันเป็นหัวแจอนเป็นแก่นสารจริงๆเขาก็ไม่สนใจที่จะฝ่ายฟังเพราะเขามีเอานิเอาวิชาบางกูบางตา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 ไม่รู้ใครจะมารับฟังไม่รู้ใครจะเอาไปประพึติปฏิบัติตามหายากเหมือนมีถุงมีบนหอยเพราะว่าเขายังไม่มองเห็นคุณค่าอยู่ที่ดีพอแม่ปู่ญาตายใจเคยฟังมาอย่างหนึ่งแล้วเรลองมาพูดกันอีกอย่างนี้เขาก็เลยไม่สนใจว่าจะจอยหอูหน่อยบอก อ, อ, อย่างฟังเลยเป็นหน้าเขินทางดอนสูงเสียเผือกบอคฮนได้พ้นเพียงจ่มทุนมีแต่ความคัดของห้ามผลเสียประโยชน์ เมืองพ่อมีส่งน้ำหน้าสีแห้งเหี่ยวตายอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นนาเขินเขินน้ำไม่มีคลองชลประทานระบบอิริเกชันรับพายมระบบชลประทานที่จะส่งน้ำเข้าไปพวกเรานี่แหละเป็นคลองที่จะส่งน้ำน้ำคือพระธรรมพระธรรมคือน้ำนั่นนะสรงก็ไปสู่จิตสู่ใจแห่งหมู่มวลเพื่อนมนุษยชาต รวมพุทธศาสนาร่วมโลกแตนี่มันไม่มีเหมืองเหมืองมันมีน้อยๆแล้วการสะพายไปมันก็ไม่เพียงพอต้องให้มันมากจริงๆทั้งนู้นก็พูดทั้งนี้ก็พูดพูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นนี่เราพูดซะสองสามคนเราทํากันไม่แค่หยิบมือเห็นไหอย่างที่พวกเรามากันทําความเพียรกันอยู่อนี้สมัครกะเม่นเนี่ยมีถ้าเอามานับเป็นเปอร์เซ็นต์ัระสงทั้งหมดในเขตเนี่ย เอาง่ายๆแค่สกลนอครพวกเราก็ประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ในจํานวนร้อยเปอร์เซนที่มาต้องปฏิบัติกันแล้วถ้าหากว่าเราจะไปพูดในสิ่งเหล่านี้ความสนใจมีน้อยแล้วก็ได้ประโยชน์น้อยละเพราะว่าคนอื่นเขาพูดอย่างอื่นมากกว่ามันก็ถูกกินเลยถูกใจคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนทําสกปรกไว้ทั่วทางแผ่นดินคนไปทําสะอาดสี่คนหน้าคนก็เหนื่อย อันตั้งหลายถ้ามันใจจิตใจดำจนเกินไปท่านอาจจะสงสารอนี่เก็บน่นที่ป้านมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเหลือเกินอย่างนี้ปเทศที่อลาญยประเทศกลับมาเดี๋ยวไปนอนปนี่กุมภาวะเอยปาป่าเอ้ยตคอพนมเอยอุบลเอ้ยนคอตะวันอะอมันไกลแล้วมันก็ไม่ได้พักไดพอนเพราะนั่งกลับมาก็ต้องมาพูดให้เพื่อนๆฟังมันอย่างนี้แล้วมาเอารื่องมัอยูนี่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 มี่จะความคัดของห้ามคนเตรียประโยชน์เหมือนบมีทรงนามหน้าสิแห่งเหี่ยวตายเพราะนั้นท่านทั้งหลายอย่าได้น้อยอกน้อยใจเลยนะว่า เ, ออเรามาประพฤติปฏิบัติทมกันเนี่ยเป็นเดือนเดือนทำไมคนมาจังหันไม่พอสิคนแต่ละวันนะพระหนี์ก็มีมากช่างเขาเถิดในสมัยพระพุทธเจ้าอดอยากยิ่งกว่านี้ท่านไปบินทั บ, บาทนะที่หมู่บ้านปัญจพรมณสารา ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่มีใครใส่บาตให้เลยต้องอุ้มบาตรเปล่าๆมาพวกเราแค่นี้ดีแล้วได้รับมรดกมูลมังสังขัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอริยะเจ้าที่ท่านสร้างกูดวินสร้างตถาไวใ้ให้แ ก, โก่โลกโลกก็ยังหลงใส่บาตให้เราทำอย่างนี้ดีแสนจะดีนะขอให้เราทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจทาความเพียรให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจเห็นแจ้งสิ่งที่ยังไม่เห็นแจ้งอะไรจะได้ทําประโยชน์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 เราจะไม่พูดอย่างคนโง่อย่างนั้นเพราะว่าหนทางหลดพนในวิมุตตายาัชนะโสวิมุตติโสพระพุทธญานตัดไว้ถึงกับห้าอย่างหนึ่งฟังสองสอนคนอื่นสามคิดพิพจิรณาสี่สาธยายสวดมนต์ท่องบทห้าหนั่งสมาธิทำจิตเป็นสมาธิแล้วเอามาเพ่งพมีแต่ห้าทางนะผมไม่มีเวลาเล่าให้ฟังมันจะ ก, กินเวลาไปมาก เมื่อวันก่อนเราได้พูดครั้งไว้เมื่อคืนนี้ในเรื่องอนาปานสติผ่านมาแล้วแปดขั้นตอนตั้งแต่เริ่มลมยาวมาจนถึงทำจิตตังขันให้รำงับหมดไปแล้วสองหมวดคือหมวดกายและหมวดเวทนาทีนี้เราก็จะมาต่อหมวดจิตก็ต้องมาเคลียร์กันอีกทีอย่างว่าอนาปานสติเนี่ย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 อนุปพังปริจิตตาจะท่าภุเทนะเทติตาคิดสุใดเจริญอนาปานาาสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พุทธเจ้าได้สอนแล้วโสอิมังโขกังประาเสติอัภามุตโตไว้ฉันท์ที่มาที่ส่วนนั้นอย่างโลกนีให้ทรงสว่างเหมืนอนพระจันโคจรออกจากกลุ่มนี้ฉันั้นที่นี่เราก็ต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งซ้ําๆสักห้าว่าทําไมต้องมีคําว่าเป็นลําดับอนุปุพังปริจิตตา ทำให้มันเป็นลำดับนะเจ้าฟังให้ดีนะเน้่เจ้าฟังให้ดีนะเจ้าสาธรรมิตรทั้งหลายเจ้าฟังให้ดีว่าที่มันเป็นลำดับลำดับมันเป็นขั้นเหมือนเราเรียนหนังสืออยู่ดีๆแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้เราเรียนอจากขั้นป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ไปจะไปถึงมหาวิทยาลายัยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยู่ดีๆโดๆโดเข้าไปเรียนปอ .4 อยู่ดีๆโดโดไปเรียนมหาวิทยาลัย ไม่มีพื้นฐานมันก็สอบตกครังปีทั้งช่างก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเรียนจบแค่นนชั้นป .1 หรือชั้นป .4 แล้วจะถือว่าจบมหาวิทยาลัยเลยก็ไม่ได้มันจะต้องส่งกันไปเป็นทอดๆอาณาปานสติจึงมีทั้งสิบหกขั้นตอนแต่นี้เราทํากันไม่มีขั้นไม่ตอ น, นส่วนมากที่ได้ยินได้พูดได้สอนกันนะไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนอะไรหรอกเป็นไรก็ พูดกันธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนอะไรเลยยังคุดโทรกับพูดโทรพูดโทอยู่ทั้งปีทั้งชาติแล้วมีการนั่งเกาะยุบเนาะพองเนาะอยู่ทั้งชาติสัมมา阿拉หังสัมมา阿拉หังอย่างนั้นแหละแล้วขออาภัยนะผมยังไม่เคยเห็นในวัดไตรปิดกว่าให้เราไปนั่งบริกรรมสัมมาอระหังนั่งบริกรรม พูดโทนั่งบริกรรมยุบนองพองนองอะไรแต่เรื่องที่เรากําลังพูดกันนี้ค้าให้ไปพิสูจน์ในพระไต่าบิดกได้แล้วก็อย่าไปหลงในพระไตกนั่ะลงว่าอพระไยบิดกคู็ได้แล้นกนอย่าไปหลงทําเข้าไปเห็นผลแล้วค่อยเชื่อดีหลังที่พุทธเจ้าว่ามาปีตะกะสัมปทานเนนะอย่าเชื่อโดยนั้นมีอยู่ในตำรับตําราในพระไต่ายกนั้นมีสิ่งแปลกปลอมเยอะ พวกอัธกถาดีกาอะไรต่างๆเนี่ยบางอันไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆขออภัยผมไม่ใช่อวดดีอวดเก่งอะไรหรอกผมก็รู้สึกขอบคุณกราบไหวถึงครูบาอาจารย์อัธกถาเพราะช่วงนั้นท่านคงได้อยู่ใกล้ใกล้ยุคพุทธกาลกว่าเราเป็นพันปีเรานี่อยู่ห่าง ม, มาตั้งสองพันกว่าปีในสมัยนั้นอาจจะมีพระอริยเจ้าเยอะท่านอาจจะได้เห็นได้รู้มากกว่าเรา แต่ที่ฟังสิ่งบางอย่างมันรับไม่ได้เลยจริงๆเหมือนกันพราะพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าให้เราเชื่อมาปีเตกะสัมปทานเนี่ยนะอย่าเชื่อโดยเขาอ้างตำรับตำราไม่มีเนตตำรับตำล า, ำำลาแลว้วก็อย่าเชื่อโดยผมพูดในอีกหลายคนนึ่งมาพัพพารูปรตายะอย่าเชื่อโดยผู้พูดนั้นสมควรจะเชื่อว่าอาจารย์สมภพพูดแล้วเชื่อคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้หรอกไม่ต้องเชื่อก็ได้โดยเฉพผมอ้างตำราพระเจ้าปิฎกบ่อย เพื่อเป็นบรรทัดฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหากเราไม่มั่นใจว่าจํามาผิดหรือถูกบอกคนนั้นพูดถูกหรือพูดผิดอาเทละรูปโน้นชื่อโน้นอยู่อาว่าน้นเป็นผู้แต่ชานเป็นผู้จำพระธรรมวินัยเป็นพระโมเสศึกษามามาเป็นรัตตันยูของการผ่านไว้อืมเป็นผู้เข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่เป็นปาพจนี่เป็นศัตรูสาของพระสารดัก เธอทั้งหลายอย่าเพิ่งปฏิเสธรับฟังเอาไว้แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจเชื่อนะ่นท่านบอกนะหรือว่าคณะสงฆ์หมู่โน้นหรือว่าพระองค์โน้นได้ฟังต่อพุทธเจ้ามาอย่างนี้อย่าไปเชื่อแต่ฮ่านบอกว่าให้ไปสอบเข้ากับพระ ส, สูตรอย่างเข้ากับพระวินยัยสุเตโอสาเรตพังวินยัยเยสันเตเตตพังอย่างเข้าพุทธสูตรสอบเข้ากับพระวินยัยถ้ามันเข้ากันได้ก็สมควรที่จะวางใจเชื่อแล้วก็ปฏิบัติลงเมื่อปฏิบัติตามเลยจะเห็นผลยิ่งเชื่อใหญ่ เพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกที่ผมท้าเยงเยงว่าให้ไปค้นดูเรื่องอนาปนานสิมันมีมากเอาเล่มที่สิบเก้าสังยุตตนิกายจะยกให้ไปเลยอานาปานสังยุตไปเลยหลายสูตรสิบเอ็ดสูตรหรือยี่สิบกว่าสูตรเกี่ยวกับอนาปนสิมันมีหมดทั้งทีงทคานิกายแล้วก็มัจจุมาในกายอังคุตตะในกายสังเจตตะใกาย ที่มาสังอังคุนมันมีหมดทุกมีการในเรื่องอนาปาณสติเป็นยาวๆก็มีเล่มที่สิบสี่ลองไปเปิดอุปริป น, นานมันชิมอันนี้กายข้อที่สองแปดสิบสองหน้าที่หนึ่งร้อยหกสเจ็ดหรือเจ็ดิหมันกลับหน้ากำลังกันจากลืมๆนั่นและชัดเจนชื่อบอกตรงๆว่าอนาปาณสติสูตรแล้วก็อยู่ในมหาลาหุโรวาทัสุตโอ้ยเยอะแยะครับพูดไม่หวานไม่ไป แล้วยังเป็นธรรมที่ทําให้บรรลุธรรมได้เร็วอีกด้วยนะยู่ในออังคุตเริกายเล่มที่ยี่สิบสองอรัญญสูตรนี่ข้อหนึ่งมีอยู่สามสูตรติดกันทำเพื่อบรรลุธรรมได้แล้วอรัญญสูตรแล้วก็มีกระทาสูตรอะไรอีกกับลืมไปแนละ้วลืมแล้ว สามสูตรติดติกันข้อที่เกนะ้าส8บหก้าสิบเจ็ด้าสิบแปดหน้าที่ประมาณห น, นึ่งร้อยี่สิบไรเงี้ยพระพุทธเจ้าว่าดูกนพิสุทังหลายพิสุใ ด, ดเจริญประกอบด้วย ท, ทำห้าอย่างเสพให้มากซึ่งอนาปานัสสิกรรมธารมพ่สุนั้นยอมแทงตะลุทำอันไม่กำเลิบต่อการไม่นานนะกทำห้าประการเป็นชช่นไ ที่ส่วนนั้นเป็นผู้ขอนขวายน้อยมีธุระน้อยเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคยินดีในปฏิสีตามมีตามได้เธอเสดฟเนาสนะป่าอันงัดกระทาให้มากซึ่งอาณาปานาสิกรรมฐานเธอยอมแทนบรรุธรรมอันไม่กำหนบต่อการไม่นา น, นมีอยู่สามสูตรติดกันสูตรเพื่อจะทาให้บรรลุธรรมได้เร็ว ผลพายก็ลงเอยด้วยอาน า, าปานสิด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เลยท้าเยงเยงให้ไปเปิดไ ป, นปนคนดูไอ้ที่เราพูดเราสอนกันส่วนมากครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านเน้นไปที่ไม่ทิ้งสติปัฏฐานที่นี่ในอาณ า, า, าปานสติเนี่ยมันคร บ, แบบูรณแบบอย่างที่พระพุทธเจา้าท่าถามในพิ ก, พ ก, พกขุสูตรอยู่ในสังยุตติกายเล่มที่สิบเก้าพิสูจน์ทั้งหลาย ทำอันใดที่จเจริญทำอันหนึ่งอันเดียวแล้วเนี่ย่อมทําให้ทำทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นทําทั้งเจดอย่างเกิดขึ้นทําให้ทำอื่นๆเกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ี่สูจบอกไม่รู้ถ้าเราองค์ทั้งหลายมีพระภูมิภาคเจ้าเป็นเป็นบาตเป็นฐานในการประพฤติปฏิบัติของพระองค์ตรงแสดงแล้วว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะได้จดจําไปประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าก็บอกว่าอานาปานสตินั่นแหละถ้าผู้อดคเจริญให้มากแล้วย่อมทําให้สติประธานทัน้งสี่บริบูรณ์สติประธานทัน้งสี่นั้น เมื่อบริบูรณ์ขึ้นมาก็ทำให้พ่ทรงเจ็บบริบูรณ์พ่อทรงเจ็บบริบูรณ์ขึ้นมามันก็ทำให้วิชาบิดมดให้บริบูรณ์มีผมไม่ได้พูดตามสานวนพระแต่ถาคกนะพูดตามเขาของเรื่องเราที่พูดตามสํานวนพระตถาคตเราฟังยากๆหน่อยสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยนี่เพราะนั้นมันเกินก่ดไปหมดนะในพระตถาคกนะทีนี้เราจะพูดกันที่เรียกว่าอนุปุพังปริจิตตาสมบูรณ์กันไปเป็นลําดับลําดับ ก็เลยต้องมาเคลียร์กันแล้วเคลีย์กันอีกที่ผมพูดมากๆไม่ใช่ผมขยันนะผมเหนื่อยเสียงว่าผมไม่ไหวเลยเราเราไม่จะอักเสบเรื่อยแต่ที่พูดมากๆก็เพื่ออยากจะให้เพื่อนตะทำมิตรทั้งหลายมีความสนใจมีความเข้าใจเพิ่มศรัทธามีโอกาสศึกษาค้นคว้าในปติบิตรแล้วก็พึ่งปฏิบัติจะได้ช่วยกันป้องโลกนี้ให้สว่างจากความมืดมนอนทาการของกิเลสตัณหาอวิชชาทาั้งหลาย ที่ก็ให้เกิดปัญหานาน า, นาประการจนเกิดวิกฤตการณ์ล่างหัวในโลกเนี้ยจะทำยังไงที่นี้เรื่องอานาบานสติที่บอกว่าให้มันเป็นลําดับยไม่เป็นลําดับก็มีไม่เป็นลําดับก็มีอยางเราหายใจเข้าว่าพุโทโธพุโทโธพุทออกว่าโธออกเขา ว, าว่าพุทมันสงบแล้วเพราะมันสงบบพุโทโธมันก็หายแล้วลายไปกับสายลมจิตมันก็สงบลึก รวมหมดแล้วังก็เป็นสมาี่เป็นสมถะก็หยุดแค่นั้นแหละดังที่ผมกล่าวเมื่อวานจําได้ไหมือนเรื่องอุเทสสวิพังสตรที่ผู้ที่จะวัดดูก่อนที่สุนทรหลายถ้าเธอทั้งหลายไม่ทําให้จิตนี้ฟุ้งไปภายนอกมให้จิตนี้สงบ อ, อยู่ในภายในไม่ทำให้จิตนี้สะดุ้งบอความยึดมั่นเธอจับค้นจักการเกิดการตายจากชาติจราเม็งโงกโศปริเทวะทุกขปริเทวะอะไรต่างๆแล้วฮันเดินนี้ทิ่สุกร ง, ง, งก็ไปถามพระมหาจักรใยันะ เขาหากระจาน่ากับ ก, กีนแ้วมาจันทร์มาจนทนไม่ไหวก็เลยบอกไม่ให้เจ็บฟุ้งไปภายนอกก็คือไม่ให้เจ็บหิีตกหลบหายใต้อํานาจของนิบอนความกำลังนนขัดเคืองวงเล่ยต้งไปฟุ้งสร้างลาคาญง่วงเขงาหอนพูดเร็วๆอย่างนี้อพอฟังทันไหมผมไม่อยากจะพูดเร็วแล้วนะแต่มันอืธรรมดาเครื่องมันร้อนมันก็เลยรัวออกมาทีนี้ไม่จิตสงบอยู่ภายในท่านทั้งหลายก็คงไม่เคยได้ยินใครก็ต้องการความสงบ พระมหากัจยนะครับบอกว่าอย่าให้มันติดอยู่ในฌานสงบแม่นิ่งดำดิ่งลงไปแค่แค่นั้นแล้วมันก็สุดจงเอาออกมาเป็นวิปัสนาพิจารณาอาญสนะโรบเสียงกลิ่นรสที่กระทบตาหงจมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นเพียงสัมผัสเฉยๆอย่าให้มันอุปทานพันลวกเข้าไปในนั้นเรืยอว่าถ้าเราไม่งอในเรื่องสัมผัสมไม่เกิดขึ้นเป็นตัวเราของเราเธอกูของกู ที่เกิดรกระทบไม่ต้องเป็นเจ้าของรูปเจ้าของเสียงเจ้าของกลิ่นเจ้าของรสเจ้าของสัมผัสเจ้าของความคิดให้มันทํางานของมันโดยอัตโนมัติโด้วยธรรมชาติมันก็ทําไปเราก็รู้มันไปอย่างนี้ยแล้วก็จิตมันไม่สะดุง้งมันจะไปยึดมั่นอะไรก็พ้นใหญ่ท่าชะราหมดแล้นะพอตกเย็นพิกษุเหล่านั้นก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระมหาะใจ น, น, น่ะตอบอย่างนี้นะอธิบายพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นก็ถูกแล้วถูกแล้ ว, วท่านเป็นทั้งปาเป็นมณีจะมาถาม แ, แล้วแต่ถาคนเราก็จะถูกพูดอย่างนี้นถามร้อยถามก็จะพูดอย่างนี้ น, นะแต่ผมพูดไว้เมื่อคืนจําได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทําไปทาไปมันก็สงบพูดโทรพูดโทรไปหมดพูดโทก็ทหายไปแล้วก็สงบไปเลยอีกหน่อยได้ยินเสียงน้ำหยดแต่งลงมาก็เป็นน้ําเป็นเสียงพูดโทรไก่ขันก็เป็นพูดทรนผมก็ทํามาเหมือนกันนะผมทํามาตั้งแต่อผมยังเด็กๆผมไปทำํำยุกหนอ่อพองหนอ อายุผมประมาณสักสามสิบสี่ปีมีเห็นจะได้นะพราะเม้ผู้ใหญ่เขาทําผมก็ไปทําด้วยไปทําด้วยก็มาเดินผมกันเดินไปเดินมาจนขาผมนี่เป็นแผลมันสีกันผมนุ่มผ้าแล้วผมก็ใจสู้อยากรู้อยากเห็นยังว่ก็เห็นเพื่อนเห็นผู้เท่าเป็นบ้านหลายคนบีบนนกันนวดกันร้องให้กันแล้วผมก็เห็นแสงอะไรที่เจ็บๆนั้นหายไปตอนเด็กๆนะผมก็ทํา แล้วโตๆมานี่ผมไปอยู่ต่างประเทศผมก็น um <m Renaissance> yes, ั่งทำพุทโธพุทโธเล่นเล่นเห็นเขาต้อนกันนักกัน่ะถ้าไม่ทํามมันสงบแล้วพุทโธมก็หายหายไปเงี้ยพอออกมาแล้วมันก็อิ่มเออมีความสุขโอ้มันมีความสุขจริงๆมีปีติเกิดตาธาแต่พอนานๆมันหายไปแล้วนี่มีอะไรมาให้โกดผมก็โกรอย่งเก่เกี่ยก็เกี่กเอ๊มันงไงก็สังเกตพอผมาศึกษาพะไตรปิกอ๋อ ลราทําความเพียรนี่ไม่ใช่มาทําให้มันสงบอย่างเดียวเนี่ยเพื่อจะทําลายโลภะโทสะโมคะไอ้ความก็ความกลัวความหลงนี่แหละคือเครื่องวัดคือเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติก้าวหน้าไปแค่ไหนคนอื่นก็จะมาบอกว่าเราเป็นพระอราหารันเราก็เชื่อเขาไม่ได้คนอื่นเขาจะมาบอกว่าเราเป็นอะไระเราเป็นคนชั่วช้าลามกเราก็รู้ของเราเองมันจึงเป็นปัจจต่างปัจจตังปัจจต่งคือการรู้ได้เฉพาะตัวของตัวเอง เราจะต้องเข้าใจอยู่ตามนี่นะไม่ได้หรอกปัจจตังคือการรู้ได้เฉพาะตัวผมก็รู้ตัวผมเองว่าเองเมันก็มีความโกรธอย่างเก่ามีราคะกําหนัดอยู่อย่างเก่าเน่งผมเป็นคาราวานนะเนี่ยผมทำไปทำไปผมก็พิจาร้าตนเองสอบคนนั้นเองแต่มาผมก็มาทำอีกใหม่ทำอย่างไรเนี่ เขาบอกว่าวิปัสนาแท้วิปัสนาจริงจริงอันอื่นเป็นสมถะ ห, หมดคือการปฏิบัติเคลื่อนไหวก้มเงยคู่เหยียดอะไรต่างๆเอามาให้รู้ให้ชัดไม่ต้องพูดกับใครผมก็ทํามาแล้วก้าวเดือนหือ่งนอนน้อยๆทาความเพียรมากๆไม่พูดกับใครเลยจะเคลื่อนจะไว้จะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยกระพิบตาอาปากคาคุยอะไรรู้มันทึมันกินข้าวไวจะเสร็จได้สามชั่วโมง ดินไปโอ้ไม่ทันลุกกไปเดินเนี่ยกินน้ำสี่สิบนาทีน้ําแก้วหนึ่งผมเอาช้อนกาแฟปักตักกินเพกกื่อกําหนดเองต้องไปทํามาแล้วมันก็ดีมันเป็นไปเพื่อให้เกิดสตินะแต่สติไม่มีสมาธิเป็นกําลังมันก็เลยอ่อนเดียวเดียวมันก็ตกวูบทําอะไรนิดหน่อยตกวูบมีคนอื่นมาพูดอะไรคิดนิดหน่อยตกวูบสติไม่พอดูไปอ๋อสติไม่มีกําลัง ที่ต nice. ัวกำลังของสตินี้ไม่ใช่อะไรคือตัวสมาธิแล้วต้องมีสมาธิพื้นฐานที่เรียกว่าสมถะแล้วก็ค่อยชาร์ตขึ้นไปเป็นวิปัสสนาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนที่นี่ผมก็ศึกษาปัจเจกบิณฑคศึกษามาศึกษามาบ้างมาบ้างมเข้ามามาเข้าผมก็มาสะดุดใจตรงอาณาปานสตินี่ถ้ามันมันมากจริงๆพุทธเจ้าสารเสริญที่บอกว่ามุทะปูตังอะไรมุทะปูตังเป็นมงกุฎเป็นมงกุฎ เป็นมงกุฎของกราารมฐานนั่นแหละอนาปานสติและทาไมครูบาอาจารย์จึงไม่สอนเราอย่างเนี้่ยพอเรามาทําดูตามที่พระพุทธเจา้าสอน่ะเออมันก็เป็นจปีงอย่างที่ท่านวา่าเทียงท่านไม่ได้ยอมแพ้ยอมแพ้ พ, พระพุทธเจ้าแหละอันนี้ผมยิ่งบอกว่าควรจะทําให้มันเจริญโดยลําดับเป็นท่านเป็นตอนทีนี้แบบธรรมดานะแต่ธรรมดายอย่างพุทโธพุทโธ แล้วว่ายกเนอของเนอะเข้าไปเดี๋ยวมันสงบนี่ลงไปไม่ใช่ว่ามันคิดไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันถูกเหมือนกันมันมีประโยชน์เหมือนกันแตมันมันช้าหน่อยนะต้องใช้เวลามากๆกระทาไม่ต้องใช้ความคิดความพินิจพิจารณาอย่างละเอียดใช้สติปัญญาอะไรมากหรอกแมฆมันลงไปเขี้ยวมันลงไปหลอมมันลงไปมันสงบสงบสงบลงไปในพุทโธมันหมดไปเลยเน่ย เมื่อมันสงบข้ามันออกมามันก็วุ่นวายอย่างเก่าเมื่อมันวุ่นวายอย่างเก่าเราก็อยากสงบอีกแล้วทําอีกเมื่อสงบลงไปอีกออกมาวุ่นวายก่อน้ามันมันสงบไปอีกนานๆเข้ามันเก่งมันเก่งวุ่นวายหนึ่งมันก็สงบวุ่นวายหนึ่งมันก็สงบเดี๋ยวมันฉลาดขึ้นอีกว่อูเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวสงบนี้งเงี้ยเดี๋ยวุ่นเดี๋ยวว่างไม่ได้น้องมันต้องเอาไปนู่งว่างนี่รันดอนในที่สุดมันก็ฉลาดขึ้นยกจิตที่สงบที่ใช้มาพิจารณาตนเองนี่มีโอกาสไปได้เหมือนกันแต่ว่า ใช้เวลานานนะไม่ใช่มันไม่มีทีพูดว่าผู้โทพูโ้พโมันถูกเหมือนกันแต่มันไม่เป็นลำดับที่ละเอียดไม่กว้างขวางไม่พิสดารเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นในสมัยพุทธกาลก็มีมีพระอรหันี้เนี่ยพระองค์หนึ่งชื่อว่าอริธะหออริธะที่ในอริธะส่วนสังยุตติกายมหาวาลาวะเล่มทสเก้าเล่มนี้ใหญ่มาก เ็นพันพันข้ อ, อยนนี่นอยู่ในข้อที่พันสามร้อยสิบจดหน้าหนึ่งหน้าสามร้อยเก้าสิบสามสามร้อยเก้าสิบสามเล่มใหญ่เล่มใหญ่ในอริธาโสนเนี่ยที่นครตาวัตถีก็ไม่ใช่ที่ไหนหรอกก็ที่เชตวันในสมัยนั้นพระผู้มีภาคเจ้าไม่ตัดกับพิสุททั้งหลายวันดูกรพิสุททั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญอาณาปานาสติได้ละเธอทั้งหลาย ย่อมเจริญอาณาปานสติหรือผู้ง่ายว่าถามเขอบอกภาษาบาลทอัดว่าเจ้าได้ได้ เ, ดเหตุอาณาปานสติอยู่บ่อข้มือเนี่ยบ่อเจ็ดสิบที่นี่ทุกคนกว่าเดได้เหตุที่นี่มีพระองค <c> ์ <oughs> ชื่อว่าพระอริ t h ซึ่งเป็นพระที่นั่งอยู่ไกลหน่อยก็เลยถูกถามมาก <c oughs> เหมือนผมถามคนที่อยู่ใกล้ๆผมในตรงหนา้า มันก็ให้เลยถามว่าปานสติถ้าเขาถามต่อไปว่าดูก่อนอริ tha เธอ น, อานาั้นจะเรียนปานสติอย่างไรบอกงไาๆว่าเจ้าเหตุจากไหนเ จ, เจานา้าจะเรียนปานสติเนี่ ย, ยทํารองเนี่ยท่านก็บอกว่ า, วาผมจะเอายาปานสติโดยวิธีที่ดูลมหายใจนะลมหายใจเข้าหายใจออก แล้วมันก็ได้ผลคือว่าการะฉันนีคือความพอใจในตามที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยก็ละไปเลยไม่กลับมาอีกการะฉันในกามที่ยังไม่มาถึงมันก็ไปปราบไปแล้วพูดง่ายๆว่าเอกิเลธางกามเนี่ยความกำหนัดทั้งหลายเนี่ยที่มันเคยมีอยู่มันก็หมดไปละไป ส่วนที่มันยังไม่เคยมีอิบมันไม่เคยปรากฏขึ้นมันก็ไม่ปรากฏเลยเมื่อหมดไปหมดไปนี่คือผลของการที่ท่านทำอนาปานสติของพระอริธาโดยที่ยังไม่เป็นเทคนิคนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องรูลมสั้นลมยาวลมอะไรทั้งนั้นดูลมเฉยๆเขาอเขาออกเฉย ๆ, ๆแบบธรรมดาแบบธรรมดาก็คือแบบพูดโทรพูดโทรพูดโทรเนี่ยทําไปทําไ ม, ไมนานๆเข้ามันก็เลยมีประโยชน์นนะมัน อยาเจ้ว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันไม่เป็นลำดับลำดามันไม่กว้างไม่ขวางไม่พิสดาร น, นเอาเดี๋ยวมันจะพบจะเห็นทำไปเรื่อยๆทีนี้ก็บอกว่าอะไรก็ตามปฏิ่ะสัญญาปฏิ่ะสัญญานี่ก็หมายถึงความมุดหงิดมุดหงิดลำคานขุนเคืองนะปฏิคะสัญญาเนี่ยที่มันเคยมีในธรรมทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ในภายในและภายนอกความลำคานบานหวาัวประทิกะสัญญาความสําคัญความงุ้ดงิดงุ้ดงิดทีเกิดขึ้นภายในใจเรียว่างุ้ดงิดกับสิ่งแวดล้อมภายนอกในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเคยมีมันก็ไม่มีผมกําจัดมันเสียได้แล้วคารวะองมีสติหายใจเข้าหายใจออกหาจะออกหาจะเข้าทัาออ้งนั้นคระองค์เป็นผู้เจริญซึ่งอนาปานติอย่างนี้ ฟังถึกบอกฟังถอะว่าพระอริธาเนี่อนบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าสิ่งทุกข์ทางไรอันมูเจ้ายัางเห็ุอ่านหน้าฟันสิู่บ้อดเด็ดเรานังจุไก่ที่ถือถามหลายขุมงูก็บอกว่ากตผมเหตุอยู่คูมือเห็ดจังไรใ ด, ดผลจังไรมันก็ถามต่อไปก็บอกว่าอันกามร่าขาความกำนัดในกาม ถ er ึงม um ันเคยมีมันกะเมัดไปอันมันบ่าันเคยเกิดขึ้นก็บ่เเกิดขึ้นอีกเลยส่วนความหุดหิดลำคานทั้งภายนอกภายในในใจลำคาญผู้อื่นโปก่โเปกเปกเสียงบอาเสียงวาเสียงเหตันเห็ดนี่บ่มีเต่าผมเลเหตุของผมไปเลยเบิ่งลมเขาล่มออกคุ้ม อันนี้ก็พอจะเปรียบได้กับที่เรากล่าวกันว่าพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทรทุกวันทุกวันทุกเวลาเดินพุทโทน่ะพุทโทรนอนพุทโทเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกับอริ tha พิโคไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์ถึงขนาดทาลายตามทําลายปฏิฆาสัญญาในระดับเนี่ยอนาคาไปหมดนะทีนี้พุทธเจ้าเขาบอกว่าโอ้อริ tha อนาปานติอย่างนั้นนั้มีอยู่ เราไม่ได้กล่าวว่ามันไม่มีเพราะแต่ว่าอนาปานาสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางโดยวิธีใดเถิดจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอริธาท่านก็นเลยตั้งใจฟังยิ่งพุทธเจ้าของเราท่านก็นบอกว่าพิจุเนผะธรรมวินัยนี้ไปแล้วสุขอนไม้ดังที่เราสวจกันอิทอะปิกาเวพิคุอารัญญาัดโตวาสุญญคาราัดโตวาลูกมูลาัดโตวา นี่คือในพระธรรมวนัยนี้ไปแล้วสุป่าสุคนม้าสุเรือนว่างอุชุงได้อย่างนีนนสติปัญลังกังอาภูชิตตบวาตั้งกายตรงดำลงสติไว้มั่นเฉพาะหน้านั่งคู่ขาขมาโดยรอบแล้วโสตโตว่าอัศาสติโสตโตปัสสติมีต ส, ตสติอยู่นั้นเทียวาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไา่ยาวไปเลยทีคังว่าอัศาสันโตรัสังว่าอัศาสันโตดูลมยาวดูลมสั้นทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมยังกายสังคารให้ลำงับ หมดไปที่เราพูดกันเมื่อคืนต่อมาก็มารูจารารระะา้จักตีติปฏิสังเวทีทุกขปฏิสังเวทีสพะกะจิตสังขารังปฏิสั ง, งเวทีปัสัมปยังจิตสังขารังปฏิสังเวทีรู้แจ้งตีติรู้แจ้งความฝุ่นรู้แจ้งความคิดปรุงแต่งที่เป็นจิตตสังขารทําจิตสังขารให้รับรับเพราเราพูดมาแล้วเมื่อเมื่อคืวนวันนี้ทีนี้ก็ตัลเลอรไปจนนูน่นเลย จิตตปฏิสังเวทีอภิปโมทายอย่างจิตตังสมาธิหังจิตตังก็ไปจบเอาที่วิโมจะอย่างจิตตังรู้แจ้งจิตทําจิตให้ปาโมดบันเทิงทําจิตให้ตั้งมัน่นแล้วก็ทําจิตให้ปลดปล่อยปื้งปลดเป็นอิสระตลอดการกับทุกๆอารมณ์เนี่ยจะเข้าจะออกสมาธิอะไรต่างๆคล่องเป็นวิโมจะอย่างปลดปล่อยปื้งได้ทุกครั้งจบหมวดจิต แล้วก็ต่อไปเอทั้งหมดธรรมอั น, นิีจานุปัสสีวิลา k านุปัสสีนิโรธานุปัสสีปตินิสก า, านุปัสสีตามรู้ตามเห็นความไม่เที่ยงตามรู้ตามเห็นความจางขายตามรู้ตามเห็นความดับลงไปของอารมณ์ทั้งหลายของธรรมทั้งหลายตามรู้ตามเห็นความสลดัดคืนเึื่อความยึดมั่นเถือนมั่นในตัวเราของเราตัวกูของกูอัตเตมิมานะคําว่าเราอะหังการะมะมังการะ ตัวกู่ของกูออกไปออกไปออกไปนูน่นอาุทธิยาให้บอกนี่เธอจงฟังเพราะว่าอาริธะอานาปัฏฐินั้นมีอยู่เราไม่ได้กละว่าไม่มีบอกง่ายๆภาษาเข้าวันที่พระอริธะเหตบังลมหันใจเขาหันใจออกนั้นใจเขา่าหันใจออกจนทำลายกามใดทำลายปฏิกรสัญญาวความมุดหิดคุณเครื่อง รมล้มข้านออกไปจนใดเพียงแต่เบางล้มเข่าล้มออกเฉยๆเพื่อนก็บอกว่าอันนึ่งจะมีจุดหรอกบมเมนต์มีเข้าประวัตมันบมมี่อย่างนั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่ได้มีก็แต่ว่าอาณาปานสติย่อมบริบูรณ์โดยกว้างขวางโดยวิธีใดเธอจงฟังวิธีนั้นจงใส่ใจไว้ให้เดี๋ยวเราจะได้ แต่ว่ามันมีเอง đấy แบบพิสดารแบบละเอียดแบบข่วงข้วงมีอยู่เจ้าฟังเรื่อข่อยจะบอกให้ฟังเนี่ยช่างไล่ยาวไปเลยทีคังว่าอาสาสั้นโตไปถึงปฏินิสขานุปัสิดังที่เราตรวจกันดังที่เราทํากันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ผิดนะที่ทําพูดโทพูทโทยกบเนือ้อพองน้อยอยู่ในลมหายใจามันถูกนั่นเป็นวิธีธรรมดาธรรมชาติธรรมดา เอาแต่มันจะรู้จะเห็นจะเกิดจะมีมันสงบก็อยู่ครับสงอบมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ครับไอ้นั่นบางคนมีบุญมีวาสนาการที่การมีปัญญาปรมีแก่ตาสังสมอบรมมาพอจิตสงบปั๊บมีความสุขพอออกมาจากความสงบมีความกำหนัดขัดเครืองลังเลทสงสัยก่อนนึกรำคาญตนเองว่าทําไมมันไม่เหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิก็เข้าอีกเข้าออกออกเข้าเข้าออกออกเข้ากันอยู่อย่างเนี้ยเพิ่มเป็นอย่างเนี้ยเรา มันก็ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องผนะู้ทีททำเกิดความฉลาดขึ้นฉลาดในธรรมคือว่าถ้าออกจากสมาธิแล้วมันวุ่นวายอย่างนี้ถ้าเข้าไปแล้วมันก็สงบเราจะเข้าอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ก็เลยเอาจิตที่สงบนั้นออกมาพิจารณาเอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ในะที่ก็เห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์เห็นความตั้งอยู่เห็นความดับไป เห็นชมหน้าของความโกรธความเกลียดความเกลียดความชังความรักความขมความเข็มอะไรต่างๆมันเกิดมาจากความยึดมั่นหึืมั่นในที่สุดก็เห็นที่ตั้งของความยึดมั่นหรืมันก็คือความตัวเราของเราตัวกูของกูอะไรทำนองเนี่ยก็เลยทําลายตัวนี้อสุมีมานะไม่ยึดมั่นถือมั่นจังคัวมันอะไรต่างๆเนี้ยมันก็เลยไปสู่ปรินิสตขานุปติเีสลัดคืนตามเห็นความสลัดคืนมันเป็นอย่างเนี้ย หรืว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาปัญญาบารมีมากแต่บางท่านไม่มีสังงอบก็สังงบอยู่นั่นวุ่นมากก็สงอบอีกอองมาก็วุ่นก็สังงอบอีกอย่างเี้ยเอาไปเอามากลับเป็นผู้มีเจโตวะสีมีอํานาจเนือจิตสังงบเมื่อไรก็ได้ปึ๊กเข้าไปเลยเนี่ยอะก็ไปเลยปึ๊กเข้าไปเลยออกมาเมื่อไรก็ได้เข้ามันเมื่อไรก็ได้เอาไปเอามาจิตมีอํานาจมากมีอํานาจเนื้อจิต ในที่สุดก็กลายเป็นฤิ์เป็นเดชนนะฟังให้ดีนะถ้าใครทําได้อย่างนี้เข้าเดีนี้ออกได้นี่ก็ได้แช่อยู่กติชั่วโมงนาทีก็ได้ให้จิตมันแหลมคมจุกเงี้ยไม่มีอารมณ์อื่นมากระทบแล้วน้มจิตไปที่ไหนก็ได้จรงเอาแล้วเป็นริ์แล้วเป็นนีเป็นเดชแล้วอยู่ที่นี่ไปซาอดุดีอาระเบียก็ได้ไปอเมริกาก็ได้ไม่ต้องทำวีซา่ารัมพาสปอร์ตไม่ต้องไปขีดเครื่องบินไม่ต้องไปจ้างใครพอบัตเห็นหมด สมมติว่ามีพี่มีน้องอยู่ที่นู่นอเมริกาเขาทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ป๊เข้าไปก็ถอดไปเลยที่เรียกว่ามโนมยุทธิขออภัยมโนมยุทธิแปลว่าความสาเร็จทางใจถอดใจไปเลยตายตั้งอยู่ตรงนี้ไปนน่นสี่ขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราสวดกันตอนเชา้าที่เรียกว่า พระเจกาจตุวกาลาสั้งสรันตาภาพวะาพเวแต่ตั้งหลายตั้งอยู่ในโลกมีขันสี่ขันห้าขันขันเดียวที่กําลังท่องเที่ยวไปในพบมา พ, พบใหญ่เ <c oughs> อที่กําลังท่องเที่ยวไปโดยสี่ขันนี่คือกายมันนั่งอยู่ตรงนี้แต่พอนไปโน่นจิตทางนี้ก็ขาดการควบคุมเหมือนชักดาบออกจากฝักเหมือนดึงงูออกจากข้าวเหมือน ดึงไส้ออกจากหญ้าบพ้องม่นะเป็นได้นะไม่ใช่เรื่องปแปลกประหลาดอะไรเลยที่เขาบอกว่าขี่เครืบินไปแลเห็นพระหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้นั่งอยู่บนอากาศนั่งอยู่บนก้อนเมฆท่ายลูปแล้วมาดูก็เห็นอยู่วัดตรงนี้เกิดอัศจรรย์ ล, ลั่นเลื่อนเขียนหนังสือเชียร์กันเลยว่าเป็นพระอรหันต์มความจริงไม่เป็นพระอรหงศ์รหันต์อะไรก็เป็นได้เทวทัตก็ทําได้ คืจิตที่มันมีอํานาจอย่างนี้แหละแต่ตรงนี้ถือว่าเก่งทําสมาธิเก่งแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องก็ได้ถ้าถูกต้องแล้วมันดับทุกข์ถ้าเก่งแล้วมันมีวิมีเดชทั้งซ่าที่จะปฏิยัญติอากาเซ ย, ยัญติอิธิยามียินติทีราโลกรรมหาเชตวา ม, มาลังตวะนะ <c oughs> เคยได้ยินไหมทำมาบทใครเรียนทรมบทถามอาจารย์สุบัติเรียนมหาจุฬามา ผู้มีฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศหมู่หงเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศนักปาดออกจากโลกก็เอาชนะมารกองหนงกองทัพผู้มีฤทธิ์ที่ห่อเหินเดินอากาศไม่สามารถที่จะเอาชนะมารแต่นักปาดออกจากโลกเอาชนะมารได้ทั้งกองทัพเพราะนักปาดญ์นั้นคือผู้รู้ทำสมาธิอย่างถูกต้องสติบริบูรณ์รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทัน ความคิดรู้เท่าทันความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงเตี้ยอยู่ภายไปกดอันนีจังทุกคังอนาถาจนไม่สามารถจะไปกอดไปรักไปแบกเอาคันห้าอันหนักหน่วงเป็นก้อนไปแดงๆไม่วโวยโยนมันทิ้งตูมลงมาใส่ฝอยหวางเนี่ยแต่อย่างนี้นเลยออกจากโลกคือพยายามานทั้งกองคำสิ่งที่มาขัดขวางในเรื่องมันก็ละเอียดนะที่เราเราพูดกัน <c oughs> เพราะนั้นเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นเล่นไปมันมีอํานาจยิ่งใหญ่ไปศาลเมื่อทําได้อย่างเนี้ยสงบได้อย่างเนี้ยออกมาได้เข้าไปได้แทะอยู่เข้าไหไรก็ได้มันก็กลายเป็นวิ์เป็นเดชเป็นอภิญยาอภิญยาห้าไม่ใช่หกนะอันหกอาสะวัคคายายาตัวนั้นเป็น อภิญญาของพระอริยเจ้าอภิญญาหา้ามมีหูทิพมีตาทิพมีฤทธิ์มีเดชเห่อเขินเดินอาการดำดินบินบนหายตัวต่างๆนี่เป็นอภิญญาโลกีคนธรรมดา น, นอนก่อนลูกก่อนเมียอยู่ก็ยังสามารถทําได้ทามีสมาธิมากแต่เรื่องสติไม่ต้องมีสมาธิมากมากก็ได้เพียงแค่อุปจาระนี่ก็ได้ แต่ไปเพ่งดูจนเห็นชัดเจนเจิดจ้าจนไม่สามารถจะยึดมั่นถือมันปล่อยวางเลยทันทีมันก็ทําลายอาสวะออกไปมันมันมันมันคนละอันกันเลยแต่ถ้ามีสมาธิมากจนมีฌานดำดิ่งจนมีฤทธิ์มีเดชแล้วยกเอาฤทธิ์เอาเดชไปในตู้ในกระเป๋าไว้สะก่อนเอาความสุขปีติไปไว้ที่อื่นกว้างทิ้งสัก่อนแลมาเพ่งดูลักษณะของสิ่งทั้งหลายมันก็เห็นแจ้งยิ่งชัดเจนน่ะ อย่างนี้นเรียกว่าอุาพาโตพาค่ะอารุณพไปส้งสองส่วนเลยได้ทั้งวิ์ทั้งเดชได้ทั้ง <c oughs> อ, าอาพินยาได้ทั้งปฏิสังพทาผมเคยอ่านประวัติอาจารย์ชานะผมไม่เคยอยู่กับท่านแต่ผมเห็นว่าท่านได้ทั้งสองอย่างตามประวัติของท่า น, นะ ท, าน ท, ท่านแตกฉานท่านแสดงธรรมนีสิ่งที่คนอื่น พูดแล้วไม่เข้าใจท่านพูดคนอื่นเข้าใจได้ง่ายเมี่แต่ฝรั่งมั่งคา <c oughs> มันแปลงไหมท่านไม่ได้ภาษาอังกฤษแต่ลูกติด็ฝรั่งเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วทั้งยุโรปอเมริกาอังกฤษมีเยอรมันฝรั่งเปรตอ่าสลาเอลมีหมดผมจะอิ่วคู่ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมไม่เก่งเหมือนท่านใช่ไหมเพราะอะไร เนี่ยเนียนย ย, ย, ย, ยคุณดูให้ดีเอือนเะก็บผมผมมอ่านดูแล้วประวัติของท่านนะท่านได้ทั้งสองอันมีทั้งอภิน ญ, ญามีทั้งปฏิสัมพิธาแต่น่าเสียดายวีบา ก, กรรมของท่านเป็นอย่างนั้นถ้ามีเช่นั้นแล้วเราจะได้เห็นอะไรดีๆอีกมากกับพระพุทธศาสนาเสียดายจริงๆที่แมกผมเติดความมั่นใจและศรัทธา ว่าพุทธศาสนาเนี่จะต้องมีประสิทธิภาพหลังกึงพุทธการนีย่ยางยิ่งยังคือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านประกาศทรรมอย่างละเอียดกว้างใหญ่ไพศาลท่านแตกฉานทางปฏิสังพิธาแล้วทางบ้านเราก็มีท่านอาจารย์ชา <c oughs> งดงามงดงามทางศิลด้วยระเบียบวินัยของท่าน ง, งดงามนะพระเนรอยู่ในสำนักสาขาต่างๆนะ รักษาศีลและก็มีสมาธิมีปัญญาแล้วดูตัวของท่านเองมีทั้งแต่ฉานทั้งทางปฏิสัมพิทธาแล้วก็ทางอภิญญาด้วยซึ่งได้ทั้งสองอย่างในหาดียางผมเคยอ่านว่านิยมคนหนึ่งฝากฝา ก, ฝากที่วิจิตใจไว้กับท่านต่างกายต่างๆให้แก่ท่านปัดตายแล้วเนี่ยมอบโครงกระดูกให้ในวัดแนอะไรถ้าผมจาไม่ผิดแล้วคนนั้นไปไข้ที่โรงพยาบาล จนจะสินใจท่านก็บอกคนเอารถมาไปรับคนนู้นกำลังรอคอยพอเอารถไปถึงท่านนู้นก็สิ้นใจก็ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างกํ <c oughs> าหนดรู้ใจที่เรียกว่าเจโตปริญาอะไรต่างๆางท่านสามารถรู้ได้เนี่นยแล้วก็แค่นี้แหละมันก็เลยเป็นประโยชน์แก่พระศ า, า, าสนาสาหรับพรมานคนดื้อสำหรับพรมาน ม, ามิจฉาทิฐิเขีนี้ถ้าพูดกันรู้เรื่องด้วยสติปัญญาท่านก็พูดเี่ให้ฟัง ถ้ายังพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้ท่านก็ใช้อีกอย่างหนึ่งคือทรอมารด้วยฤทธิ์พื่อปฏิหารอย่างนายหนูกับใจนายหนูกับใจผมอ่านดูแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีคือเมื่อพูดกันด้วยสติปัญญาไม่ได้ท่านก็ใช้อิทธิปฏิหารในช่วยแต่ที่นี่เราอาภับหาได้ยากในเรื่องอย่างนี้ ถ้ามีอิทธิปฏิหารก็มีใจริษแต่ไม่มีสติปัญญาก็กลายเป็นเรื่องการมอมเมากเข้าไปหนักเข้าไปอีกแหละเพราะฉะนั้นในตำนานอาจารย์ชาเนี่ยห้ามทำน้ำมูกน้ำมนห้ามทำเครื่องรางของขังอะไรต่างๆบอกเลกบอกหวยแม่หน้าอนุโมหนาสาธกกัถ้าเมืองไทยเรามีอย่างนี้ไม่ต้องมากเราวนะภาคละองละองละองผมคิดว่าเพียงพอ คนโบราณบอกว่าหลายสมัยในป่าพนธุนหนับหาลับเป็นของหอมแกันจันบม่มใหญ่ไม่มากหล่นในป่าพันธุ์สัตว์บ่อนล่าวีกันดาท่อหาเหลืองนี่จะคนเฮาเขา่าดงนะฮะประโยชน์แกมูใหม่นี่น่อยหากส่วนดีกิษนากันจันที่มีราคาแพงไม่จะมีน้อยกว่าอย่างดีกว่าที่มีมากมากที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามีองคหนึ่งองค์หนึ่งแต่ละภาคพอแล้ว อย่างที่ท่านอาจารย์ชาเนี่ยหรือท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีท่นนานกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วโลกนะมหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาสอ น, ผนแผนกดิวินิตี้สกูลทร o โอโรจิคัน h กู l ในอเมริกันเลือวันในทางยุโรปเข้าเอาคำ่างสอนที่ท่านพูดออกไปไปตีพินเป็นหลักสูตรหน้าอนุโมทนาแล้วท่านสองท่านเนี่ยถ้าท่านตั้งร้ายหลงศึกษาดูท่านเจริญอาณาปานิตนะ ท่านอาจารย์พูดหัดท่านเจริญอาณาปานสิบบ่อยปูนเป็นลำดับลำดับลำดับท่านอธิบายได้ละเอียดส่วนท่านอาจารย์ชานนี้ขึ้นป่าขึ้นเขาจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาบุกเบิก ด, ดูคนเด้งในป่านี่ท่านเน้นทางสมาธิมากกว่าในที่สุดมันก็เลยปูนอัพพิสก่อนจนเพร่ช่าคือมันส้มปูนด้วยสมาธิเต็มเปี่ยมจนระเบิดปลุ่มตามออกมาเาทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าใครมีจิตสงบได้เร็วมากบเร็วมากเร็วมากออกมาค่องเข้าไปหล่องคือมันเป็นอุปนิสัยของไผ่ของมันในเหมือนกันของไผ่ของมันของไผ่ของมันบุญบาลมีบุญคือการนัถ้าใครทําได้อย่างนี้เมก็ไปเลยเท่งมันไปแล้วเนี่ยมันงบตรงไปดับตรงไปเลยแม้แต่ลมหายใจแล้วก็มาสร้างความรู้แล้วทำเข้าไปอีกนี่ยวันหนึ่งเถิดดิ่งลงไปแล้วมันจะลำงับ ถอนออกมาถ้ามาพิจารณาเห็นความทุกข์ทุกอยู่ในลมหายใจทุกกระบวนการทุกไปหมดนี่นี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทุกทั้งครั้งนี้ไม่ได้ทุกพออยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มันทุกเป็นสภาวะที่เรียกว่าอริยสัจเป็นทุกขะตะเกิดเกิดตามดูมันอย่าลำพังในที่สุดมันจะเกิดคําถามว่าใครทุกเนี่ยเมื่อถามว่าใครทุกมันก็จะเห็นหนึ่งดีวัตตัวเข้าไปยึดมันนี่คือตัวทุกมันเห็นสมองไทยในที่สุดมันก็ดับวุลงไป พ่อดับลงไปแล้วมันก็แม่นิ่งลงไปข้างในแลมันก็ถอนออกมาใหม่ขึ้นไปหัวพุดออกไปนู่นแล้วก็ดับลงไปอีกเนี่ยถอนขึ้นไปข้างบนทะลุกออกหัวที่ดับลงไปอีกพูดไม่ถูกนะเรื่องนี้ดับไปทั้งหมดที่เรียกว่าจิตเจ ต, ตสิกรูปทมันดับลงไปมันก็เหลืออันเดียวเหลืออันเดียวอยู่ภายในที่เป็นอาสังกัปต์แล้ว่วันนี้ผานอะไรต่างๆถ้ามันดับ ลงไปถึงสามครั้งออกมาแล้วมันพลุทะลวงแล้วมันดับไปแต่ละทีถ้าสมาธิมากๆมันระเบิดแตกเอ้าโลกนี้ก่กระจายขยายถอนออกมาลงไปอีกแล้วเปิดอีกลงไปอีกละเบิดใหญ่ใหญ่ลูกอย่างนี้มีอภินญะยหญ่ใหญ่ล้วงเลยมีวิทยุอยู่ในตัวเปิดฟังสถานีไหนก็ได้มีโทรทัศน์อยู่ในนี่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นนะฮะเรื่องเรื่อ ง, องจิตเนี่ย แต่มันก็ทำได้ไม่เลววิสัยแต่อยากเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคนเดินไม่เหมือนเราเหมือนกับเราไม่เหมือนกับคนเลยมันเป็นของใครของมันของใครของมันเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจวันเดียวนี้มันหมดสมัยนะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้จะเป็นนิจชาทิฏฐิทัน ท, ทีนะเดี๋ยวนี้กับสมัยก่อนโ น, น้นความหิวกับความอิ่มมีเหมือนกัน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 ถ้าไม่ได้กินมังกรตายเหมือนกันกับสมัยน้นเมื่อปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องดีงามตามมัคควิทีอริยมัติองค์แปดที่พุทธเจ้าได้สอนผลมันย่อมเกิดขึ้นได้เท่า น, ททนัที่ท่านตรัสว่าจิตท่านเตนิพุเตจาปิสมัมมจิตตังสมังคลังสมังผาหลังถ้าหากผู่ใดตั้งจิตประพฤติปฏิบัติตา่างแม้เราตถาคตเจปรินิพานหรือมีพระชนมายุ สเมจิตตัง้งมีจิตสม่ำเสมอที่เราเคยปฏิบัติเหมือนกับสมัยก่อนนู้นตะมังพลังคนก็สเสมอการกับเหมือนสมัยนู้นรับเดี๋ยวนี้คอยเข้าใจอยา่างนี้แล้วก็พากัคตั้งอกตั้งใจทานะทีนี่เราพู่กันจับคู่กันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อวานเราพูดกันมาจบของหมวดคือหมวดว่า ด, ด้วยกายและเวทนาทีนี่เราก็มาพู่กันที่หมวดที่ว่าดด้วยจิต ตรงนี้สมาธิมันสมบูรณ์นะซึ่งเราทํามาตั้งแต่ครั้งแรกเป็นไปลมยาวลมสัน้นจนถึงทําจิตสังการได้ระงับสมาธิสมบูรณ์เพียงพอที่พอเราจะทํำใหม่แล้วก็ไล่ขึ้นมาเหมือนเราท่องสูตรซ้องหนึ่ไปซ้องสอง้องเป็นปมาจนถึงสูตรแปแล้วขึ้นสูตรเกนะ้าให้มันคล่องตัวทีนี้ช่วงนี้สมาธิมันง่ายอย่แล้วมันก็ง่ายที่จะ รู้แจ้งจิตมันต้องรู้จิตของตนเองมันตลดหดหูมันเศร้ามองมันมีลางขะมันมีโทสะมันมีอะไรรู้มันเฉยๆรู้ทันมันหมดไปรู้มันรู้มันในที่สุดจิตก็อยู่ในี่ยาบังคับจิตให้มันปลาโมให้มันบันเทิงรื่นเริงจําไปไม่หดหูเศร้อมองถ้าหากมันมีสัญญาขันสัญญาเกิดขึ้นจากความจําได้หมายรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันปรุงมันแต่งข่าเราเคยทําชั่ว ทำอะไรไม่ไดีไปงามมามันโผล่ขึ้นมาให้เห็นเราก็ไม่เศร้าหมองกลับมนปงอาบัตในใจตนเองปงอาบัตทะครามเออเราเป็นปุทุชนแล้วย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดบัดนี้เราจะไม่ทำอีกยอมให้คิดบัญชียอมรับเวรรับกรรมไ่่เพ่จำใส่เบิร์บาไม่ใช่วาเอาความชั่วร้ายในี่ยดีดมาคิดเผาดิโยเรานี่มีเวรมีกรรมมากนกะหนอ มันจึงเห็นแต่นิมิต ท, ที่ไม่ดีไม่าไม่มีสติแตเลยเห็นกรรมนิมิตอะไรต่างๆถ้ามีสติมันหายไปหมดเลยนิมิตบาบา บ, า บ, าบางบองเหล่นั้นเพราะฉะนั้นพราองคุลิมานก็คงจะต้องเห็นแต่วิธีที่ฆ่าคนฆ่าคนฆ่าค น, าคนเอาหอกทุ่มแทงบงังไลฟันบางยิงด้วยธนูบงังคงจะเห็นแต่อย่างนั้นแต่หั่นรู้หันมีรู้แจ้งเจ็บแม่น เอามองแล้วก็ทําให้มันบันเทิงเว่ยงเนี้ยนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อบันเทิงแล้วนั่นมันตั้งมั่นเช่ฟิกลมไปอย่างไม่โดนดูลมหายใจดูอะไรก็ได้นั่งอยู่เใจมันก็ใช้มั่นคงที่เรียกว่าเธอนั่งตั้งกายตรงดําลงพฤติไว้มั่นตเฉพาะหน้าละอภิชาโธมนณ์ในโลกไปได้ตั้งมั่นอย่างเงี้ยเอามันคิดอะไรมามัน พอใจหรือไม่พอใจรู้มันเฉยตั้งเฉยว่างถึงขนาดนี้อย่างเงี้ยแล้วก็มาทําให้มันปลดปล่อยตนเองมีอะไรขึ้นก็ให้มันปลอๆๆๆปๆๆ่อยออกไปปล่อยออกไปอย่างเงี้ยหรือจะลองปลึกมันให้มันเพ่งไปตรงโน้นมันอยู่ทตรงโน้นกําลังคิดเรื่องนั้นอย่ดีก็ดึงมันดูเรื่องนี้เรื่องนี้ดีๆดึงไม่เรื่องโน้นเนี่ยให้มันกลับหน้ากลับหลังให้มันคล่องตัวเป็นกรรมนิโยอย่างนี้แหละสมตมื่อว่าเราจะคิดไปอยู่ในวัดเดี๋ยวนี้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 เพราะว่าหลังจากวิโมจะยังจิตตังปัสสะตัสมีสิกตินี้มันจะไปสู่เอาไปสู่อนิจจานุปัสสีไปตามดูความไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้มันมันมันพร้อมที่จะตามดูความไม่เที่ยงได้เลยนะถ้ามันยังกลับกองยังยอกยังย้อนมันไม่ปลดไม่ปล่อ ย, ไ ม, อยไม่เพื้องให้ไปดูตรงโน้น ون, มันกลับมาดูตรง น, นี้ให้มันดูตัวนี้มันไปดูตรงโน้น ون. มันสายไปสายมาอย่างนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะไปเห็นไต ร, รักอะไรเลยเนี่ย เพราะมันยังไม่ชัดเจนจัดเจงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงทำสมาธินะเป็นช่วงฝึกช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงผูกจิตเป็นช่วงฝึกจิตให้ทำงานฝึกจิตให้ดูฝึกจิตให้รู้ฝึกจิต ใ, ให้เห็นฝึกจิตให้เป็นตามที่ต้องการให้มันเป็นในช่วงนี้สีขั้นตอนเนี่ยคนที่มีฤทธิ์มีเดช อะไรต่ออะไรเอามาใช้ช่วงนี้คือให้จิตนี่ตั้งมัน่นให้จิตนี่บันเทิงให้จิตนี่ปลดปล่อยเข้าสมาธิได้เด่อนนี้ออกได้เดือนนี้แช่ลงเดือนนี้ไม่ต้องหลับตานะปุ๊บขับไปอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมันก็ไปเห็นคนอื่นคิดอะไรต่ออะไรต่างได้ไม่อศัศจรรย์อะไรเลยกำหนดรู้จิตของคนอื่นได้ที่จะไป ไกลๆที่ไหนได้ยินน้องจิตไปทางข้างนี่ฟังไปทางน้นโน้นหูมันได้ยินเอย่า้งเนี่ยเป็นลิ้นเรื่เด็กมันก็อยู่ในชนนี้หมดหมดจิตนี่แล้วมันมีพื้นฐานมาตั้งแต่หมดตายแล้วทํากายสังขารให้เรางับเย็นๆจนเย็นๆจเป็นฌานเป็นอะไรหมดแล้วมันก็พร้อมที่จะเป็นลิ้เป็นเด็กอยู่แล้วแต่เรายังไม่เอาเราเอาความสุขเอาปีติซึ่งมันเป็นเครื่องมือของจิตสังขารนั้นมันดูจนชัดเจนแล้วเราก็เห็นชมหน้าเห็นมายาสาไทยของมัน แล้วเราก็เลยมาดูตัวความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เราวาจิตสรรค์ขานแล้วมาทําให้มันลำงับเมื่อลำงับอยู่ในอํานาจของเราแล้วมันไม่กระทบรบกวนของจิตใจของเราได้อีกแล้วไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราแล้วเนี่หมดพิษใดๆที่จะเสียบแทงไม่มีอาหารใดๆเป็นพิษเราก็เลยมาเพลิดให้ยิ่งๆกันไป ฝึกโดยวิธีรู้จักมันรู้จักจิตใหญ่ชัดเจนพฤติกรรมของจิตใหญ่ชัดเจนแล้วก็มาฝึกให้มันบันเทิงให้มันก็เชื่องแจ่มใสเออบิอ่มแล้วก็มาฝึกให้มันมัน่นแต่จะมั่นไม่หวาดหวั่นไว้ในอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้กําไรหรือเปลือยอทั้งวันทั้งปีทั้งชา่งแล้วก็มาฝึกให้มันคล่องตัวขึ้นไปอีก คือเข้าสมาธิได้ไง่ายออกมาได้ไง่ายแช่อยู่ได้ไง่ายคิดดูอารมณ์นู้นก็ได้ไง่ายดึงมาคิดดูอารมณ์นี้ก็ได้ไง่ายการาาาทำสมาธิที่เป็นฝักไฟทำวิปัสสนาไม่ใช่ไม่ให้มันคิดอะไรนะคิดให้มันเป็นนี่เราปโยน์นี้ผมาน่งจิตาแต่เ่้านี้เราจะฝึกให้มันคิดเป็นคือให้มันเอาเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องเดียวเนี่ยไม่ให้มันจับปลาหลายมายือดูเรื่องนี้กาลังเพลินๆปล่อยปั๊บวิโมจะยอย่างปล่อยมันออกมาเปื่อมันออกมาปั๊บมาดูเรื่องนี้ มันไม่กลับหลังมาดูเรื่องนี้กาลังจะมันมันก็ปล่อยไปวิมอจะอย่างอย่างนี้เร็วอ่ะให้จิตเป็นกรรมนิยมควรควรแก่การงานมันก็สมควรในนี้ถ้าใครต้องการจะให้มันเก่งหนักหนักขึ้นไปทําหาลิเดทางปฏิหารก็เอามันไปตรงนี้แหละไปมันเข้าไปมันออกแช่กึ๊กกลงไปตรงนี้ถอดป้าประมันแลเพ่งมันไปตรงนี้เข้าอ๋อเข้าเข่าอ๋อเข่ย ข้องตัวจะเป็นเตัวสีเอาสีจะเอาอะไรกีน